พ อ, อนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตร <c oughs> โอคกสสเพื่อนสอนธรรมิกุท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่าน <c oughs> เนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญ <c oughs> วันหนึ่งในทางพูทธาสนาเนาะปีหนึ่งก็จริงๆแล้วก็มีแค่สามวันเองนะอ่ก็คือวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชาและวันอาสาบูชาเนาะ <reet> <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์หนึง่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหนึ่งนะเป็นวันมาฆบูชา <c oughs> วันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร <c oughs> ในสมัยที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุปใหม่ๆนะเป็นยุคแรกๆในการเผยแผ่ธรรมช่วงนั้นพระก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ <c oughs> ครั้ น, นี้นะก็มีพระตอนนั้นก็มีพันพันกว่ารูปนะก็ตีสัก หนึ่พันสองรห้าสิบรูปนี่แหละครา้ น, นี้ก็เป็นช่วงที่พระตอนนั้นก็ยังไม่กระจายกันไปไกลมาก <c oughs> แต่ตอนนั้นพระทั้งหมดก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนครา้ น, นี้เป็นวันเหมือนกับเป็นวันมาฆะเลิกในในยุคนั้นเน่ยพระอะก็เหมือนก็บจะต้องมารวมกันอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นี้ก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่เชตวันก็เลยมารวมกันที่เชตวัน <c oughs> ในวันนั้นพอดีนะ วันมาคะาเลิกนี่แหละหรือว่าวันไม่ก็วันนี้นั่นแหละวันมาค้าบูชาวันเพนเดือนสาม <c oughs> คราวนี้พระทั้งหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปนั้นนะ่ะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยแล้วก็ได้รับการบวชจ้าพุทธเจ้าคือเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทานอะน <c oughs> ก็มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันในวันมาค้าเลิกพอดี <c oughs> ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่พระเจ้าได้ทรงเหมือนกับต้องการที่เรียกว่าพระกลุ่มนี้น่หละเป็นกลุ่มแรกที่ว่าจะต้องนำธรรมะทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นไปเผยแผ่ในที่ต่างๆกันก็นกเลยเาวางวางหลักเกณฑ์ไว้ในการที่เรียกว่าจะนําไปเผยแผ่อย่างไรเนาะจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายข้อเหมือนในที่เมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วในโอวาทปาณิโมกข์แต่ถ้าเป็นหลักหลัก <c oughs> หลักธรรมจริงๆที่เรียกว่าพระจะต้องนำไเ้เผยแผ่นั้น <c oughs> ก็มีอยู่สามประการนั่นก็คือ <c oughs> สัพปา ป, ป, ปสัสสกรลนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุสาษมทาการหมั่นทำกุญลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยธบันังการชํารละจิตของตนให้ข่าวรอบหรือการทำใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใส <c oughs> เอตังพุท ธ, ธานาศกษาตนังนี้เป็นคําสั่งสอนของบุญเจ้าทั้งหลาย <c oughs> อันนี้ก็คืออเป็นหลักนะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของศาสนาก็ได้อ่าที่ว่าพระเนี่ยจะต้องนําสิ่งนี้ไปสั่งสอนประชาชนนะอะในการที่เรียกว่าเราเราจะไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่อบางคนก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่าทําบุญหรืออ่า ทำบุญต่างๆมากมายแต่ว่ายังทําบาปอยู่ใช่ไหมเหมือนกับในยุคนั้นก็มีการบูชา ย, ยัญก็เป็นบาปก็ไม่รู้กันหนอนนึกว่าการบูชา ย, ยัญฆ่าสัตว์ก็เป็นเป็นบุญแต่จริงๆแล้วก็เป็นบาปเนะเพราะฉะนั้นบาปในมีเยอะแยะเลยเช่นเรื่องศีลห้าต่างๆไป็นต้นนะก็ต้อง <c oughs> ต้องงดเว้นให้ได้ก่อน <c oughs> ประการต่อมาก็มันทํำกุศลให้ถึงพร้อมนี่แหละนะก็มีเรื่องทาน ต่างๆนะเรื่องบุญเกิจย่ถบทูติบบุญหลายอย่างก็ไม่ต้องใช้เงินเนาะ <c oughs> เป็นการทํากิจการงานต่างๆด้วยด้วยใจที่เป็นกุศลเนะช่นเราเห็นใบไม้ร่วงก็ช่วยกันกวาดพื้นต่างๆเหล่านี้เลยช่วยกันล้างช่วยล้างจานช่วยกันเก็บขยะช่วยกันดูแลสิ่งต่างที่เป็นของอประโยชน์ส่วนรวมอันนี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยเนาะ ทํากิจการเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการกวนขวายในกิจการริชอบเลยเวลายา ว, ย ว, ยวยจะมานะบุญต่างๆเยอะย ะ, ยะเลยไม่แต่การฟังทำก็เป็นบุญเนา ะ, <c oughs> นะก็เป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ว่าบุญอาศัยเราเนี่ยก็ทําให้เราได้กุศลให้ถึงพร้อมได้อภาระการสุดท้ายนี้สําคัญที่สุดนะมันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับคือที่ว่ามาก็คือเรื่องการไม่ทําบาปหรือการทําบุญในจริงๆแล้วศาสนาอื่นๆก็มีอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นเหตุให้ให้ผู้ที่ทําสิ่งนั้นก็ขึ้นสูงสุดก็เป็นสวรรค์นะไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าต่างๆเหล่านั้นเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์นะก็ยังต้องเบียดบายใ้เกิดอยู่เพราะว่ายังมีกิเลสในใจเรา <c oughs> มันก็ต้นไม้นะสูงสักสามสิบเมตรนี่แหละก็เพราะว่ามันมาจากมเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวเมล็ดพันธุ์เล็กๆแต่ว่ามีมีเชื้ออยู่นะมีเชื้ออยู่แล้วตกไปในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ สามารถโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตเราที่มีกิเลสแม้แต่เล็กน้อยก็เป็นเชื้ออยู่นะมันก็ก็ต้องปเป็นเหตุเราเวียนบ้ายตายเกิดนะับเพิ่มชาติไม่ถ้วนฉันนั้นเนาะเพราะกานที่อยู่สบันก็ไม่ใช่ว่าเชื้อในใจเราจะหมดไปแต่อยู่ที่การชาระใจของเรามากกว่าเนาะพระเจ้าเจ้าหรือศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นการสอนให้เราชาระใจของเราให้บริสุทธิ์นั่นเองใช่เพื่อให้เชื้อ เชื้อที่นําไปเกิดใหม่ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละให้ใหลดน้อยลงหรือว่าให้หมดไป <c oughs> จะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คื อ, อาการพ้นทุกข์แท้จริงก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เนาะอย่างนี้เราก็สวดไปแล้วว่ า, าการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกข์ล่าไปนะหรือความทุกข์ก็มีที่เราสวดไปเมื่อเช้านี่ก็เยอะแยะเลยใช่ไหมความทุกข์นี่มีมากมายเนาะมันก็เป็นประเด็นที่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ต่างๆนีน่นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นการที่เราไม่ต้องเป็นบ้าใจเกินนี่แหละคือการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะหรือว่าอภายในสองสัลวัตในหละคือภัยในแท้จริงในชีวิตเราเพราะพุทเจ้าก็เลยต้องการให้เราทําตรงนี้ให้หมดไปคือกินเละในใจเรานี่แหละซึ่งศาสนาอื่นก็ไม่มีนะในประเด็นนี้ก็ไม่มีกันนะครั้นี้เราเราจะมาชําระกิตของเราได้อย่างไรนะตรงนี้เป็นสิ่งนี้เลยว่าเราต้องกลับมารู้ให้ได้ มันก็เราก็จะเสียชื่อว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธ <c oughs> หรือว่าเราใกล้คือกินดาหรือว่าเรามีของดีแต่ไม่ไม่รู้จักเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากนะว่าเรากลับมารู้จักวิธีการชําระกิตของเราให้ขาวลอกไหม <c oughs> ครั้นี้ <c oughs> เราเราก็ต้องรู้ว่าสาเหตุอของอกิเลสมันเกิดจากอะไรไหมมันมันก็มีทางเข้ามาทางประตูทั้งหกนั่นแหละคือทางตาหู จมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาเห็นรูปเราก็ยินดียินร้ายนะอันนี้มันมันก็หลงไปใช่ไหมหลงไปในความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยหูดินเสียงต่างๆเนะอะเสียงอืเสียงดีเสียงชมเชย <c oughs> เสียงไพเรา ะ, ะเสียงสรรเสริญเราเราก็พอใจนะ <c oughs> แล้วก็เพลิดเพลินไปในเสียงอารมณ์เหล่านั้นใช่ไหมอันนี้เราเรารู้ทันไหม หรือใครก็มานินทาเรามาว่าเราต่างๆเราก็ไม่ชอบใจแล้วก็หลงเป็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเราก็รู้ทันไหมอันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นตัวอย่างที่เรียกว่ามันมาทางประตูทั้งหกนะเม่อแต่เราทานอาหารหรือสัมผัสเย็นร้อนนนแข็งนะโดยเพราะประเด็นที่เราใจนึกคิดเนี่ยมันมันเยอะมากนะบางทีมันไม่ได้ไปกระทบอะไรหรอกมันก็ใจนึกคิดไปก็หลงเป็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ได้ บ, บ่อยใช่ไหม <c oughs> อันนี้เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเรารู้ไม่ทันสิ่งต่างนี่เกิดขึ้นในประตูเรื่องหกนั่นเองใช่ไหมครั <c oughs> <c oughs> ้ น, นี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งที่ว่าสาคัญมากก็คือสมัยพุทธกาลก็มีพระโปรติละนะพระโปรติละเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนคนถึให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้แต่ดูเอยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยครั้นี้วันหนึ่งก็มาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่า อใบลานเปล่ามาแล้วหรือล้วก็จะกลับเข้าไปกราบลาพระเจ้าพระเจ้าบอกใบลานเปล่าจะกลับแล้วหรือท่านก็มาสำนึกได้ว่าเราเราเป็นใบลานเปล่านะเราสอนคุณได้แต่เรายังไปบัตไม่ได้เลยลูกศิษย์ก็เป็นพระรหันต์แต่เรายังไม่ได้ลาก็เกิดความลายใจแล้วก็หลังนั้นก็เลยอไปขอให้พระรหันต์ต่างๆสอนให้หรือลูกศิษย์ตัวเองสอนให้ก็ไม่มีใครสอนให้เพราะรู้ว่าเป็นคนที่มีอทิฐิมาณนะสูงเนาะ จนไม่มีใครสอ น, นไปเจอสามนเณรก็ไปขอให้สามนเณรซึ่งเป็นพระรหั์นะสอนให้สามเณรก็รู้ว่าเป็นผู้ที่มีมาระทิฐิสูงก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เลยจะทดลองดูว่าะจะจะยอมลดทิฐิหรือจะยอมเชื่อฟังไหมถ้าเชื่อฟังก็จะได้สอนให้ถ้าไม่เชื่อฟังก็คงสอนไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เลยบอกว่าเนี่ยลงไปเดินลงไปในสระน้ําดูสิ ปรากฏว่าพโปติละนั้นตอนนั้นเธอนก็นละทิฐิแล้วนะท่านก็ยอมเดินไปในลงไปในสารน้ําทั้งจีวรเลยก็เดินลงไปสักพักหนึ่งสามเนยบอกให้ขึ้นมาเถิดก็แสดงว่าอยอมยอมแล้วนะยอมที่จะละทิฐิแล้วอก็เลยบอกว่าถามมันเนี่ยอจอมปลวกมันมีอยู่หกรูนะอืแล้วไม่ ม, มีในจอมปลวกมันก็มีตัวตะกวดอยู่เนี่ยเราจะจับตัวตะกวดได้อย่างไรนะพระโปติละก็คิดไปคิดมาก็ก็เข้าใจอ๋อ วิธีการจะจับตัวตะกวคือต้องปิดอีกห้ารูแล้วก็เลย อ, อยู่รูเดียวเพราะฉะนั้นตะกวดนี้มั น, มนออกรูไหนอะไรก็ต้องเอารูนี้ก็ต้องจับมันได้แ น, น่นอนนะท่านก็สามารถตีความเข้าใจเช่นนั้นก็คื อ, อสรุปได้ว่าอตาหูจมลิ้นกายใจเนะี่ยก็เหมือนกับจอมปลวกที่มีหกรูใช่ไหมครันนี้มันจะออกรูไหนก็คือรูใจนั่นเองนะมันไม่ได้ออกรูไหนรูใจนั่นแหละถ้าเราคอยสังเกตที่ใจเราเราก็จะจับไปตัวตะกวดได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นใช่ไหม ถ้าก็เลยเข้าใจท่านก็เลยมาวิธีนี้เข้าใจจากสำเนาแล้วท่านก็ไปบัตรธรรมโดยการที่มาสังเกตใจของท่านในการที่เรื่อว่ามันจะตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจจริงๆมันก็ไม่ได้รู้ที่ไหนแล้วมันก็รู้ที่ใจมาหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจท่านก็ก็กลับมารู้ที่ใจนะคือประตูทั้งหก็กลับมารู้ที่ใจหมดเลยแม้แต่ใจนึกคิดก็กลับมารู้ที่ใจจากการสังเกตที่ใจบ่อยๆเห็น อารมณ์ต่างๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ก็เลยเกิดความเข้าใจในสุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เนาะอันนี้มันมันมันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะในการที่เราว่าเราสามารถที่จะกลับมารู้ที่ใจเราได้ไหมเนี่ยเพราะมันกิเลสมันไม่ได้เกิดที่ไหนไม่ได้เกิดที่ตาไม่ได้เกิดที่หูไม่ได้เกิดที่จมูกหรือลิ้นเนาะแต่มันก็เกิดที่ใจเราอยู่ที่เราสามารถรู้รู้ทันในตรงนี้ได้ไหมใช่ไห ออครั้ น, นี้บางทีสมมติคนก็มาด่าเราใช่ไหมด่าเราบุบล้วก็แล้วก็เกิดความโกรธนะอะเกิดความโกรธแล้วเราก็ไปคิดเนื่องทาไมมาด่าเรานะอ่าคนนี้เป็นใครมาด่าเราทําไมเราไม่ทําผิดสักหน่อยด่าได้ยัง ไ, ไงคือมันมันแทนที่มันมันจะ ก, กลับมารู้ที่ใจมันก็ไปเพ่งโทษคนอื่นว่า เ, ออเขามามว่าเรามาด่าเราแล้วก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่โกรธเขาไม่ชอบเขาไปเกียกเขาต่างหาก ก็จิตส่งนอกเพ่งอไปที่ตัวคนอื่นที่เขามาว่าเราหมดเลยแต่ในขณะเดียกันเราก็ไม่ได้สังเกตใจเราตอนนี้ใจเราโกรธนะไม่ได้กลับมาดูอันนี้มันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่ที่เรื่องเราจับตะกวดนะคือไม่ได้วิธีการที่เรากลับมารู้ใจเราแต่เราส่งจิตออกนอกไปไปเพ่งโทษคนอื่นใช่ไหมแต่เข้ามาด่าเรานะแล้วก็มีความโกรธเราก็มาดูดูความโกรธในใจเราในะนณะดูใจไปโกรธนะ ดูดูใจไปโกรธหรือดูตัวเรามันไปโกรธเนี่ยคือกลับมารู้ใจเราดูใจเรามันโกรธดูตัวเรากำลังโกรธอันนี้มันมันไม่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปเพ่งโทษก็เลยแต่กลับมารู้ใจเราตอนนี้ตอนนี้เรามันโกรธแล้วนะมันมันกําลังโกรธอยู่นะมันมันโกรธเนี่ยใจมันโกรธมันกําลังหงุดหงิดมันกำลังโกรธมันกําลังคิดมันกําลังโกรธมากเลยเนี่ยพอดูงี้ปุ๊บมันไม่ส่งออกนอกนะมันไม่ได้ไปเพ่งโทษคนแต่มันกลับมารู้ใจเนี่ยมันก็เห็นเห็นใจเรานะ อตรงนี้มันประเด็นสําคัญมากเลยคือบางคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ได้กลับมาเห็นใจเป็นโกรธหรอกใช่ไหมแต่ไปเพ่งโทษคนก็มีใช่ไหอแต่เรากลับมารู้ใจเราเท่านั้นเองนะมันเป็นอย่างไรนะมันโกรธแล้วเราไม่ได้ไปตามความโกรธหรอกหรือไม่ได้ไปจัดการกับความโกรธไม่ต้องเออมันต้องโกรธแล้วต้องจัดการกับมันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะแต่เราแค่ดูมันดูดูสังเกตความโกรธเป็นอย่างไร <c oughs> ดูมันกําลังบน่นกาลังว่า กําลังโกรธกาลังไปเพ่งโทษคนอื่นเขาอหรือมันจะไปคิดเอทํำไมเรื่องธรรมดาเราเนี่นนมันเป็นการบน่นเป็นการบ่นในใจแล้วก็กลับมารู้ไอ้ตรงนี้นะ่ะตอนนี้เรากําลังบ่นแล้วนะตอ น, นกําลังเพ่งโนนะงทษคนแล้วนะอกําลังเกลียดเขาแล้วนะมันมันกลับมารู้ตรงนี้เนี่ยมันมันก็กลับมาเห็นใจนี่แหละมันสําคัญมากทีม่มันมันก็ไม่ไหลเข้าไปในลมหรือว่าไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นแต่มันกลับมารู้ความโกรธไอ้ตรงนี้ถ้าคนที่มีกําลังสติแล้วมัน มันสามารถเบาลงนะความกดมันเบาลงทันทีเพราะมันไม่ได้ทรงจิตต่างนอกแล้วเนี่ยมันกลัารู้ภายในหรือไม่จะอาจจะดับไปเลยก็ได้โกดเล็กน้อยดับไปหมดเลยนะแต่มันไม่ต้องไปบัติเพื่อมันดับนะไม่ไปบัติเพื่อให้มันน้อยลงหรือให้มันดับนั้นกลายเป็นเราประเดปฏิบัติเพื่กินเลสหรือว่าทำด้วยกิเลสมันก็ไม่หายนะมันไม่หายหรอกมันเพิ่มกิเลสในตัวเราขึ้นมเราเก่งเราดีแล้วเราวิเศษแล้วใช่ไหมแต่มันก็แค่รู้นั่นแหละหรืออาจจะกูบายจะบรรล้เฉย แต่ก็ไม่ต้องทำมันเฉยใช่ไหมเดี๋ยวไปทําำมันเองก็แค่รู้ที่มันมันเป็นอะไรก็รู้มันไปเท่านั้นเองนะไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยใช่ไหมหรือมันมันมีคนมาชมเรามาสรรเสริญเราเราก็โอ้คนนี้ดีเลยมามาชมเรามาสรรเสริญเราแล้วก็พองเลยเชมเราเรื่องนน้นเรื่องนี้นะมันก็ไหลไปอยู่แล้วส่งจิตน้องๆเหมันเลยใช่ไหมันส่งไปเพลงคนอื่นเขาเขาดีนะชมเราอะไรเงี้ยนั่นมันมันมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหม แต่ในขณะที่เราดินยินดีเราพอใจก็กลับมารู้เนี่รู้รู้ใจเราว่าตอนนี้มันกําลังดีใจแล้วนะตอนนี้กําลังพอใจแล้วตอนนี้กําลังมีความสุขแล้วกลับกลับมารู้ใจเรานี่แหละดูมันจริงๆเขากลับมาดูตัวเราเองนะเราก็ว่าเรากําลังมีความสุขนะก็สมมุติแล้วกันนะใจเป็นตัวเรากลับมารู้รู้เราเนี่ยตอนนี้กำลังมีความรู้คือย้อนกลับมารู้ตัวอะไรอยู่ทีนึงว่าตอนนี้เรากำลังมีความสุขแล้วนะตอนนี้เรากําลังพอใจแล้วนะ นีมันมันเป็นการไม่ได้ส่งจิตนอกๆกลับมารู้ภายในเนาะอ่าเสร็จแล้วมันมันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปพอใจหรือไม่พอใจกับมันก็เพียงแต่เรารูเท่านั้นเองมันจะพอใจหรือไม่พอใจหรืออะไรก็รู้เท่านั้นก็ก็พอแล้วเพราะนี่มันคืออาการของใจมันไม่ใช่เราใช่ไหมพอใจไม่พอใจรักชังมันอาการหมดเลยไม่ใช่เราแต่เล่าในมันหน้าที่รู้เท่านั้นเองนะมันก็ก็ไม่เป็นไรนะแค่นั้นไม่ได้ว่ามันต้อง จัดการมันหรือว่าต้องไหลไปกับมันหรือมันจะไหลไปก็รู้ทันนึ่งมันไหลมาแล้วนะตรงนี้มันมันก็สามารถรู้ใจได้ตลอดทำไมมันก็มันก็มาสังเกตไอ้ใจเรานี่แหละเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นสังเกตไปอสังเกตไปเรื่อยๆนะมันก็ตรงนี้ไม่เป็นการชําระกิเลสโดยตรงนะเพอหลังนั้นมันก็เมื่อเราสามารถฝึกตรงนี้ได้บ่อยๆมันจะไม่ไม่ส่งจิตอย่างนอกนะมันจะอะไรก็แล้วแต่นะ ตายลูกหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจมันไม่ส่งจิตนอกแบบสมัยก่อนหรอกมันจะกลับมันรู้ใจเราได้เองบ่อยๆนะเพราะเราทําให้ถูกทางแล้วมันก็สังเกตใจเราได้ไวขึ้นเห็นมาเห็นสภาวะทต่างๆได้ไวขึ้นเนาะจะดีจะไม่ดีเราก็เห็นได้ใช่ไหมมันต้องมันต้องไม่ดีไม่ไปบัติธรรมแล้วมันจะต้องต้องเป็นคนดีนะหรือปใบบัติธรรมแล้วต้องไม่ลบไม่กดไม่หลงอันนั้นไม่จําเป็น อันนั้นคือการของใจหมดเลยถ้าเราไปจัดการมันเนี่ยอันนี้คือการหลงหมดเลยมันไม่ต้องไปจัดการมันนี่เราหลงไปแล้วนะจัดการมันคือการหลงแล้วหลงไปในความปรุงแต่งแต่แค่เรารู้นี่แหละเนาะรู้นี่แหละมันมันมันจะออกจากความหลงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเราคิดไปแล้วเราไม่รู้อันนี้ที่เราหลงแล้วนะหรือว่าอารมณ์ต่างๆเราเราไม่รู้นี่คือเราหลงแต่นั้านเดียวมันมันคิดก็ไม่เป็นไรนะมันคิดแต่เรารู้อะมันมันดู มันดูมันคิดได้มันกําลังคิดก็แล้วแต่เราดูอันนี้ไม่หลงนะมันกําลังคิดเราก็ยังไม่หลงเลยเพราะเราเรารู้อยู่อ่ะรู้เหมือนกำลังคิดรู้ใจเลิงคิดลึกรู้ตัวเรากําลังคิดนี่แหละมันกลับมารู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมมันไม่ไม่หลงหรอกใช่ไหมคิดร้อยเรื่องก็ยังไม่ลงเลยเพราะเรารู้ทั้ง้อยเรื่องเลยมันไม่หลงใช่ไหมอะตอนนี้มันประเด็นสําคัญนะมันมันจะกลับมารู้ใจบ่อยๆมื่อตรงที่หลวงปู่ดูลงว่าเอจิตเห็นจิตเป็นมรรคเนาะอะจิตเห็นจิตเป็นมรรค จิตที่สงนอกเป็นสมุทัยผลในการที่จิตสงนอกเป็นทุกข์เนี่ยจิตสงนอกเป็นทุกข์หมดเลยใช่ไหมแต่จิตเห็นจิตเนี่ยเป็นมรรคนะผลในการที่จิตเห็นจิตเป็นนิโรธน่ยอันนี้นะนิโรธก็คือนิพพานนั่นเองนะคือการที่สุดสิ้นสุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองนะเพราะผลในการที่จิตเห็นจิตมันก็คือนิโรธนั่นแหละแต่จริงๆวิริยุทธวัฏฏีเนี่ยคือใหม่ๆก็มาลูรู้ที่กายก่อนใช่ไหมรู้ แรู้ในความรู้สึกตัวก่อนเสร็จ แ, แล้วก็จะมาสังเกตที่ใจได้ mm. ใช่ไหมมั น, มนเป็นประเด็นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นบางทีคนก็ไม่รู้ก็ไปคอยตั้งใจดูดูใจดูจิตมันมันก็ไปไปเพ่งจ้องอะไรมากคนที่ไม่เคยฝึกในการเจริญสติมันก็ไปเพ่งไปจ้องเอาวันนั้นก็ไม่ถูกทางใช่ไหมอันนั้นไม่ไม่ถูก <laughs> เพราะาเราเราดูไม่ถูกใช่หไหมก็มึนหัวเกิดความเครียดเกิดความนัน่นเกิดความตึง หลวงพ่อเทียนก็เลยให้มารู้ที่กายก่อนนะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังขาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจลาราปสวรก็คือกรรมรู้สึกตัวนะในอาในกิริยาต่างๆนะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทํานูน่ทนทํานี่นะก็เลยมีวิธีการให้เรายกมือสร้างอย่างบะหรือเดินจงกรมต่างๆแลยก็เป็นอุบายให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ให้มีเครื่องอยู่ของใจนะแทนในใจจะ คิดนู่นคิดนี่แล้วเราก็ไม่รู้ทันก็มีกําลังสติมันรู้ไม่ทันเรามันคิดทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้ให้ใจกลับมามีเครื่องรู้ก่อนมาให้ไม่ให้ใจมีเครื่องเล่นเครื่องอาศัยเครื่องอยู่ก็เลยเป็นวิหารธรรมเมื่อเรารู้รู้กายได้เราก็สังเกตใจเราได้ง่ายขึ้นใช่ไหมสังเกตผ่านกายนี่แหละเออมันทําอะไรก็คือใจมันจะได้ไม่ส่งจิตต่างนอกไปบ่อยแบบสมัยก่อนใช่ไหมบางทีคิดทั้งวันเลยไม่รู้ตัวแต่เรากลับมารู้สึกตัวก่อนมันก็ใจมันก็มีเครื่องอยู่แล้ว มันก็มีของเล่นให้เด็กเล่นมันก็อยู่กับของเล่นนั่นไปก่อนใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวลุกโนมากเมื่อใจมีของเล่นแล้วมันก็จะสังเกตใจเราได้ใช่ไหมมันก็หลุดออกจากปัจจุบันธรรมมันก็สังเกตได้นะตอนนี้เผลอไปแล้วนะตอนนี้หลงไปแล้วนะเพราะนั้นวิธีหลงพระเด่นก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันก่อนว่ายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้อยู่ในตรงนี้ให้ได้ก่อนปัจจุบันนี่ปุ๊บมันก็หลงไปเราก็รู้ทัน เนาะมันก็เป็นอ <BI> ุบายอย่างหนึ่งให้ใจไม่มีเครื่องอยู่หลังนั้นมันจะสังเกตใจเราได้ง่ายขึ้นเมื่อสังเกตใจได้ง่ายขึ้นมันก็มันก็สังเกตได้ตลอดนะมันไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาหรอกใช่ไหมถ้าสังเกตใจได้ก็สังเกตไปเลยก็ไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่ได้ไต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็สังเกตได้ก็สังเกตไปแต่ยังสังเกตไม่ได้ก็อาศัยเครื่องรู้นี่ไปไปก่อนนะมันจะได้ไม่หลงนานนะกลับมาเป็นทียบใส่เนาะมันมันก็เป็นประเด็นที่เราว่าเราเราทำกันไม่ยากเนาะ เพราะว่าเราเมื่อเราสังเกตได้บ่อยๆแล้วมันก็เห็นอาการของมันเองนะแต่ถ้ามันตีให้ลึกมันก็เห็นความเกิดดับของรมทั้งหลายนั่นแหละเข้าใจไหแต่ตรงนี้ก็ยังจริงๆไม่อยากพูดเด็ดเราไปไปกายไปไปคิดไปค้นไปหาเอาไปไปเป็นเป็นการเป็นความคิดไปแต่จริงๆอาการทั้งหมดนี้มันแสดงความเกิดดับของมันอยู่แล้วในตัวเข้าใจไอยู่ที่เราเห็นก็ไหมเข้าใจไหมมันมันก็มีความคิดเราเดินจงกรมนะมันก็คิดปั๊บเนี่ยเรารู้ทันมันก็ดับไปเข้าใจไ คิดูรู้ทางกระดับไปนี่มันก็แสดงความเกิดความดับอยู่แล้วในความไม่เที่ยงมันนะแสดงสภาวะของปฏิลักคือเราบังคับบัญชาไม่ได้นะเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็คือเราให้เขาไม่คิดก็ไม่ได้ใช่หให้เขาหยุดคิดก็ไม่ได้หรือว่าอย่าให้มีลมอะไรต่างๆอยาให้พอใจไม่พอใจก็ไม่ได้อยาให้รักอยาให้ชังก็ไม่ได้อยาให้โกรธอยาให้โลภอยาหลงก็ไม่ได้ ตรงนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราก็เห็นในสภาวะรำทําที่เราบังคับไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ะความคิดเรายังไม่รู้ว่านาทีข้างหน้ามีอะคิดอะไรใช่ไหมแต่มันก็แสดงให้เราเห็นว่ามันคิดของมันเองใช่ไหมมันเกิดมันดับของมันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเราความเกิดความดับมันมันเป็นเรื่องของเขาเองนะยุใเราเข้าไปเห็นไหมไม่ใช่เราไปทําให้เขาเกิดเขาดับใช่อหมบางทีเราคิดโอ้ไม่ดีเลยความคิดนี่มันต้องดับไป ต้องจัดการให้มันดับนี่แหละมันมันไม่ถูกต้องอะนี่มันมีตัวเราไปจัดการแล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่อันนี้มันมันกลายเป็ความดับเกิดจากตัวเราทําเราไม่เห็นมันหรอกเราทำอะไรเราจะไม่เห็นมันเพราะเราจัดการมันเราไม่เห็นมันแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันดับด้วยตัวมันเองแล้วก็เห็นมันใช่ไหมเห็นมันแล้วมันก็ดับไปแล้วนะอืมเพราะนั้นเราเราไปทําอะไรมันไม่ได้นะไปทําให้มันหายโกรธมันก็มันก็ไม่เห็นอยู่ดีมันมีตัวเราไปทําอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ โกรมันก็ตั้งมันได้ไม่นานมันก็ดับมันได้เองนั่นแหละใช่ไหมแค่เรารู้มันหรือมันดับไปตอนไหนก็ไม่เป็นไรหรือมันเกิดตอนไหนก็ไม่เป็นไรแค่เรารู้ในปัจจุบันนี่แหละตอนนี้กําลังมีอะไรเกิดขึ้นในในในในกายในใจเรานะมันไม่ต้องไปคอยดูความเกิดความดับก็ได้ใช่ไหมไปคอยดูความเกิดความดับมันก็ไปเพ่งไปจ้องอีกใช่ไหมมันเกิดตอนไหนก็ไม่เป็นไรมันดับตอนไหนก็ไม่เป็นไรอยู่ในปัจจุบันในไปบ่อยใช่ไหมมันจะไม่ดับก็ยังไม่เป็นไรก็รู้มันมันก็ยังมีอะไรอยู่เท่านั้นเองใช่ไหม แต่จริงๆก็แสดงความเกิดความดับอยู่แล้วนะเราก็เห็นโอมันก็ไม่เที่ยงนะมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนมีแต่ความเกิดความดับเพราะอารมณ์นั่งไหลก็เรียกเป็นของทั่วคราวใช่ไหมสมัยก่อนเราเราโกรธจะโกรธคือมันมันตั้งใจโกรธนะโกรธแล้วก็ตั้งใจโกรธแต่เราดองดูเด็กๆนี่เด็กๆไม่เหมือนเรานะั่นเด็กๆก็ไม่ปรุงแต่งใช่ไหมบางทีโกรธกันโอ้โกรธกันมากทะเลาะ ก, กันอย่างหนักแป๊บเดียวนะั่นกลับมาเล่นเอย่างเก่าแล้วดีอย่างเก่าแล้วมันสมัยเด็กเราจะจําได้ไหม คนทีโกรธมากเลยปั๊บเดียวลื ม, มนะกระมาเล่นเรื่องเก่าเพราะว่าเพราะเราไม่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเนาะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่มันปรุงแต่งเยอะนะมันมีตัวมีตนโอ้โกรธเรื่องนิดเดียวนี่ไม่ยอมกันแล้วนะนะไม่ยอมพูดกันไม่ยอมให้อภัยกันนะบางทีเก็บเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปีๆก็มีใช่ไหมมันนี่คือความปรุงแต่งหมดเลยใช่ไหมเพราะเราไปให้ค่ากับมันใช่ไหมใจเราไม่ได้บริสุทธิ์แบบเด็กๆใช่ไหมเด็กๆนะมันก็ไม่ไม่ปรุงแต่งและไม่ไม่ได้ไป ส, สร้รางหลอกลวง อะไรในชะ่ไหมเขาใจเขายังไม่ได้มีมีสภาวะธรรมนี่เขาไปไปไปมีตัวตนเยอะมีศัก์สีมีหน้ามีตาแต่เราโต น, น, นั้น <c oughs> มันจะมีศัก์สีมีหน้ามีตาเป็นความปรุงแต่งนั้นนะนี่แหะมันมันรู้ไม่ทันมันก็มันก็กล้กับความปรุงแต่งเรื่องเล็กนิดเดียวนะบางทีคนก็มานิดเดียวกับเราเนี่ยว่าเรานิดเดียวเราไปคิดเดยอะแยะแล้วมันมาว่าเรามันไม่ ร, รู้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยปรุงแต่งไม่รู้ตัวเลยในชะ่ไหม นมันมันมันมันเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพราะจริงๆอาการทางใจมันก็คือความปรุงแต่งทั้งหมดเลยไหมแล้วเราไปจัดการกับมันมันต้องดีนะมันต้องหายไปนะหรือว่าเราวิเศษแล้วเรานัรลัยบัตแล้วอนี่มันก็เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยนั่นมันรู้ไม่ทันมันตัวเราโตกว่าเก่าอีกมันมันไม่ได้ละตัวเราโตกว่าเก่ามาเนาะเพราะนั้นมันก็ต้องรู้ให้ทันทุกรดมนั่นแหละดีไม่ดีชั่วหรือไม่ชั่วก็ต้องรู้ให้ทัน พอใจไม่พอใจก็รู้ทันเขาตสตินึ่เรียกว่าต้องรู้ให้ต่อนเนื่องกันเนาะสังเกตให้ให้ไวแล้วก็ต่อนเนื่องถ้าเราสังเกตเป็นมันจะรู้รู้กับทุกความคิดแล้วนะความคิดมันรู้กับทุกความคิดแต่ไม่ต้อไป เ, เพ่งไปจ้องมันก็คือมันเผลอบ้างรู้บ้างหรือเผลอไปสักห้านาทีสินาก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้บ่อยๆมามันก็เห็นทุกความคิดรู้ทุกความคิดแต่ว่ามันไม่ติดไปในความคิดเหล่านั้นนะเขาเรียกว่า เห็นทุกคิดไม่ติดไปนะเห็นทุกความคิดแต่ไม่ติดไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะมันก็มันก็เห็นมันก็หยุดแล้วนะอ่ถ้าเราเป็นผู้ดูมันก็หยุดได้ใช่ไหมตรงนี้มันก็ไม่ไปไม่ไปปรุงไมแต่งให้เกิดกิเลสต่างๆให้เป็นตัณหานะตรงนี้ก็เราก็เป็นสมุทัยเป็นการละสมุทัยอย่างหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตอเป็นมัจนะมันก็มันก็มันไม่ปรุงแต่งไปมันก็เป็นมัจใช่ไหมแต่จิตสงนอกเป็นอ่า จิตสงรอเป็นสมุทัยเพราะในการที่จิตสงรอเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยทั้งหมดเลยจิตสงรอเป็นสมุทัยคำว่าจิตสงนอกไม่ใช่ว่าไปไปเพ่งโทษคนอื่นกันนะไปมองคนอื่นเขาโอ้คนนี้สวยคนนี้ด่าเราอันนั้นมันส่งเจียนนอกตรงๆมันรู้อยู่แล้วแต่การที่จิตไปปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งปรุงแต่งไปในความเกลียดความรักความชังความโกรธ ความคิดอันนี้ส่งจิตนหหอหนอดหมดเลยใช่ไหมไม่ไปเพ่งโทษกันแต่มันปุงแต่งนี่ก็ส่ ง, สงจิตนอกนหมดเพราะไม่ได้กลับมารู้ใจไม่กลับมารู้ใจออตอนนี้กําลังโกรธแล้วนะตอนนี้กาลังรักกาลังชังมันไม่เห็นในตรงนี้นะไ ม, ไม่ได้เป็นผู้รู้จริงๆ Bey, นะกลับมารู้ตอนนี้กําลังคิดอะไรกํากลังปรุงอะไรจิตปรุงได้ก็ปรุงได้แต่เรารู้ทันความปรุงไหมใช่ไหมจิตเผลอรู้ทันความเผล่ไหมกลับมาเห็นจิตมันทํางาน ไม่ต้องส่งจิตนอกเลยไม่ไปเพ่งโทษใครกลับมารู้จิตเราเนี่แหละเนาะมันจะพ้นทุกข์ได้ตรงนี้เนาะเพราะฉนั้นตรงนี้เมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วมันก็จะพัฒนาไปได้ได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปตั้งใจมากแค่เรารู้ในปัจจุบันนี่แหละเนาะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะทําถูกต้องแล้วในสูตรจิตมันก็จะค่อยๆกลับมาสังเกตจิตของเราได้ไวขึ้นเรื่อยๆจะไม่ส่งจิตนอกแบบสมัยก่อนแล้วเราจะไม่เข้าไปในลมด้วยเพราะลมนะ่ะคือการส่งจิตอนอ ก, นอก จะกลับมาเป็นผู้รู้นี่แหละหมตรงนี้มันมันเป็นผลทานที่เรียกว่าชำระกิเลสอาชำระจริงเราให้ข่าวรอบอย่างแท้จริงเนาะในสุดไอ้กิเลสต่างๆมันค่อยๆกระเทาะกระเทาะไปโดยเราไม่รู้ตัวทำไมมันมันเป็นการกระเทาะ อ, ออกเพราะจิตก็จะเข้าถึงซึ่งความผ่องใสสุดได้นะสมเด็จพระเจ้าได้ทรงตัดไว้ในตรงนี้ว่าอ่สาสัปะปัสสะ ก, กระลังคือการไม่ทำ บ, บทาปทั้งปวง กุ ส, สาสูภาษมาธาการมั่นธรรมสลถึงพร้อมแล้วก็สาจจิตตะประโยชน์ทพนังการทำใจให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธิ์นี่แหละเป็นพลทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะเพราะใ น, นมาค่าบูชาในวันนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระนตรัยน้อมนาทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ